พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ยี่สิบสีทีฆะนักสูตรสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อทีฆะนักพระผู้มีพระภาคประทับหน้าถ้ำสุกรขาตาแปลว่าถ้ำสุกรขุดเขาคิดจกูดใกล้กรุงราชฤก์ปริพาชกชื่อทีฆนักที่แปลว่าไว้เล็บยาวมาเฝ้า แสดงความเห็นว่าทุกอย่างไม่ควรแก่ตนซึ่งเป็นการพูดกระทบว่าแม้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ควรแก่เขาพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านด้วยทูลต่อไปว่าตนชอบใจความเห็นที่ว่าสิ่งนั้นเหมือนกันหมดตรัสตอบว่าคนที่พูดอย่างนี้ยังไม่ละทิฏฐินั้น ซ้ำยังไม่ถือทิฏฐิอื่นอีกด้วยมีอยู่มากแต่คนที่พูดอย่างนี้แล้วละทิฏฐินั้นไม่ถือทิฏฐิอื่นมีน้อยมากสําหรับข้อนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเอาจนนํานวนก็เลี่ยงไปทางอื่นว่าอะไรอะไรก็แค่นั้นแหละหรือราคาเดียวกันเพื่อจะชี้ว่าอย่านึกว่าใครสูงต่ํากว่าใครปริพาชกผู้นี้โกรธเคืองว่า พระผู้มีพระภาคจูงเอาพระสาวริบุตรซึ่งเป็นลุงของตนมาบวชครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงถึงสมณะพราหมณ์บางพวกที่เห็นว่าทุกสิ่งควรแก่ตนบ้างทุกสิ่งไม่ควรแก่ตนบ้างเห็นว่าบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรบ้างฝ่ายที่เห็นว่าทุกสิ่งควรแก่ตนใกล้ไปทางยินดียึดมั่นยึดถือ ฝ่ายที่เห็นว่าทุกสิ่งไม่ควรแก่ตนใกล้ไปในทางไม่ยินดีไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือปริภาชกจึงกล่าวว่าพระสมณะโคดมยกย่องความเห็นของตนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสต่อไปว่าฝ่ายที่เห็นว่าบางอย่างควรบางอย่างไม่ควรก็ใกล้ไปทางยินดีบ้างไม่ยินดีบ้างเป็นต้น แล้วตรัสต่อไปว่าวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นว่าการยึดถือทิฏฐิเหล่านี้ย่อมทําให้ทะเลาะวิวาทกันทําให้เบียดเบียนกันจึงละทิฏฐิเหล่านั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นตรัสสอนว่าควรพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นต้นจนถึงไม่ใช่ตัวตน เมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะละความพอใจในกายเสียได้ครั้นแล้วตรัสเรื่องเวทนาสามคือสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขและชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นต้นของเวทนาเหล่านั้นเมื่อรู้เห็นอย่างนี้อริยสาวกย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาทั้งสามและเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัด และหลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วสิ้นชาติอยู่จบรมจรันทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้ยอมไม่วิวาดกับใครใสิ่งใดที่เขาพูดกันในโลกก็พูดตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดถือพระสาวรีบุตรนั่งพัดอยู่เบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาค มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสําเร็จเป็นพระอระหันต์ส่วนปริพาชกชื่อติขะนัคขะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลเมื่อเห็นธรรมแล้วปริพาชกชื่อติขะนัคขะกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต